เสือเหยจะสงสารกระต่ายไหมไม่สงสารถ้เป็นหมีเป็นเสือดาวเป็นต้นหนึ่งถ้าเป็นเสือดาวเสือปลาไม่สงสารปลามในพวกนี้มันสาวกของเราทั้งนั้นไม่สงสารเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะไม่เกิดความหวังดีจะไม่เกิดความอดทนว่าสัตว์เหล่านี้เคยเป็นอุปถักเราเคยเป็นผู้ให้ปัจจัยเราฆ่าสัตว์เหล่านั้นแล้วก็ดูดเลือดบ้างกินเนื้อสันหลังบ้าง อันนี้ถ้าหากว่าศาสดาที่ไม่แน่จริงอะนะไม่ดีจริงเนี่ยก็นับถือท่าตายวันหลังมาฆ่าเราซะดีๆเนี่ยไม่สมควรใช่ไหมอีกประการหนึ่งถ้าศาสดาเกิดเป็นแมวสาวกเกิดเป็นไก่หรือหนูเนี่ยแมวจะสงสารไหมให้สงสารถ้าหากว่าศาสดาเกิดเป็นสัตว์นรกก็ขอภัยศาสดาเป็นนายนิริยาบาลแล้วสาวกเป็นสัตว์นรกเนี่ยนายนิริยาบาลจะไม่ทําความมนุเคราะห์ว่าสัตว์เหล่านี้เคยให้ปัจจัยแก่เราทํากับ ย่อมทำกรรมกรต่างๆใส่ในรถที่ร้อนจัดบ้างให้ขึ้นภูเขาไฟบ้างทิ้งศีรษะลงในหม้อโลหะบ้างประกอบด้วยทุกธรรมำหลายอย่างเพียงผู้ที่นับถือศาสดาที่ไม่ใช่พระตถาคตอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมที่ทรอองสอนได้ดีแลวไม่ใช่สาวกที่ปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวชาติหลังกลับมาเจอกันใหม่ในในฐานะอะไร เป็นศัตรูกันใช่ไหมถ้าถ้าสาสดาที่ไม่ดีจริงก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งสาวกกลับไปเกิดเป็นพวกสัวแล้วถามว่าศาสดาเกิดเป็นเนื้อเนี่ยนะสาวกจะสงสารไหมเออนี้่คยเป็นศาสดาเราเนี่ยนะจะสงสารไหมไม่เป็นถามว่าเพราะเหตุผลเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะในศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาที่นําออกจากวัตทุกข์เนี่ยนะไม่นําออกจากทุกข์ ศาสนาที่นําออกจากวัฏทุก์ในศาสดานั้นหมายถึงศาสนาที่ประกอบด้วยมัชมีองแปดศาสนาไหนที่ประกอบด้วยมัชมีองแปดศาสนานั้นนําออกจากวัฏทุกขเนี่ยนะนําออกจากวัฏทุก์้นความเลื่อมใสในศาสดาใดที่นําออกจากวัฏทุกความเลื่อมใสในศาสดานั้นจึงเลื่อมใสที่ชอบแล้วเลื่อมใสในธรรมใด ความเลื่อมใสในธรรมนั้นจึงชื่อเป็นความเลื่อมใสที่ชอบแล้วความเลื่อมใสในหมู่ผู้ปฏิบัติดีเหล่าใดความเลื่อมใสเหล่านั้นก็ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นส่วนทิฏฐิในโลกเนี่ยนะโดยรวมๆมีสองทิฏฐิใช่ไหมคือภวะทิฏฐิกับวิภวะทิฏฐิอที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่คือภวะทิฏฐิคือสัจจะวิภวะทิฏฐิคืออุเฉตถ้าใครแอบอิงเข้าถึง สัสตตถิธิเนี่ยนะอย่างลงสู่ภวะทิธิคนเหล่านั้นแสดงว่าเกลียดอะไรเปรียดอะไรเปรียดอุเฉธาทีนวะพวกรายเป็นอุเฉธทิธิพวกนี้เกลียดอะไร เกลสตตทิฏฐิไม่รู้ว่าอะไรคือสัตตทิฏฐิอะไรคืออุเฉตทิฏฐิอะไรคือเหตุเกิดของทิฏฐิอะไรคือความดับทิฏฐิเราเป็นคนที่สูตรท้งหลายสมณพรหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ทั่วถึงเหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนว่านิสารณะของทิฏฐิทั้งสองตามความเป็นจริงก็อย่างที่กล่าวนะเราเราควรเอามาเป็นเครื่องวัดศึกษาด้วยว่าถ้าเราศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยหนึ่งเรารู้จักเหตุเกิดของทิฏฐิไหม รู้จักความดับแห่งทิฏฐิไหมรู้จักอาาัศธาแห่งทิฏฐิไหมรู้จกักอาทีนวะแห่งทิฏฐิไหมรู้จักนิสวรณาแห่งทิฏฐิไหมถ้าไม่รู้จักไม่รู้อะไรคือสัจตทิฏฐิอะไรคืออุเฉตทิอัชชทิฏฐิอะไรคือเหตุเกิดของทิฏฐิอะไรคือความดับทิฏฐิอะไรเป็นอสาทาอาทีนวะนิสารณาของทิฏฐิเนี่ยนะ Generally, ถ้าหากว่าไม่รอบรู้แบบนี้นะให้รู้เถอว่าถ้าถ้าเอาเอาคําถามเหล่านี้เป็นโจทย์และตอบไม่ได้เลยนะให้รู้เถอว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นยังมีราคะา ย, า ย, ยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีตัณหายังมีอุปาทานไม่ใช่ผู้รู้แจ้งยังยินดียินร้ายเป็นผู้ยินดีในความเนื่อนชา้ามีความเนื่อนช้าเป็นที่มายินดีถ้ายังละมิจฉาทิฏฐิอะไรไม่ได้สักอย่างนี้ประกาศถึงว่าตัวเองเป็นอะไรใครละละทิฏฐิได้เด็ดขาด พระโสดาบันทัานถ้าพูดในระดับทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันท่านก็ละได้แล้วท่านถ้ายังละทิฏฐิอะไรก่อใหม่ได้เหตุเกิดของทิฏฐิก่อใหม่รู้ความดับของทิฏฐิก่อใหม่รู้อทิฏฐิจะเกิดเกิดด้วยการเท่าไหร่ทิฏฐิเนี่ยนะท่านบอกว่าเหตุให้เกิดทิฏฐิเนี่ยถ้ามองแบบง่ายๆเลยก็สองนะหนึ่งอายนิโสมรสิการถ้าภายในใช่ภายนอกก็ คดตาประมิตรนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเพราะวิตกนีเนจจญญาา่เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อมิจฉาทิฐิสัญญาเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อมิจฉาทิฐินะภาษาก็เป็นปัจจัยต่อมิจฉาทิฐิขันห้าขันห้าก็ชื่อว่าเป็นทิฏฐิฐานะนะเป็นที่เกิดแห่งมิจฉาทิฐินั้นถ้าหากว่าไม่รู้ฐานะแห่งทิฏฐิเหตุเกิดของทิฏฐิแล้วไม่รู้ว่าความดับทิฏฐิดับดับด้วยอะไร ดับด้วยโซดาปฏิมักเป็นต้นเ น, นะถ้าไม่เข้าใจในหลักการเหล่านี้แล้วให้รู้เถอะว่าเขานี่ยังมีราคายังมีโทสะยังมีโมหะยังมีปัญหายังมีอุปาทานไม่ใช่ผู้รู้แจ้งยังยินดียินร้ายยังยินดีในความเนื่องช้ามีความเนื่องช้าเป็นที่มายินดีเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชารามรณาโซกะปริถิหาปราศจากอุปาทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดียินร้ายมี อ, อ มีความเนื่นช้าไม่เป็นที่มายินดีคือไม่มีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความเนื่นช้าดับของทิฏฐิรู้อาสาชาราตีนวาวะนิสารณะของทิฏฐิทั้งสองเหล่านี้ตามความเป็นจริงชนพระพุทธศาสนาใช่ไหมรู้จักทิฏฐิเหตุเกิดความดับอาสาธาทีนวาวะนิสารณะเป็นอย่างดีเนี่ยนะสมน้หรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจาก โทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะเป็นผู้ปราศจากตัณหาปราศจากอุปาทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดียินร้ายมาีมีความเนื่นช้าไม่เป็นที่มายินดีคือไม่มีความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความเนื่นช้าพวกเขาหลุดพ้นจากชาติชารามรณโะโศกับปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความทุกเรากล่าวว่าเลื่อมหลุดพ้นไปจากทุกเนเน ก็น่าคิดนะว่าถ้าหากใครจะตั้งใจสมาทานศึกษานะว่าถ้าปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะตั้งเต้าศึกษาทิฐิให้ดีเลยว่าอะไรคือมิจฉาทิฐิอะไรคื อ, อ, คอสัมมาทิฐิแล้วมิจฉาทิฐิมันเป็นยังไงสัมมาทิฐิเขาเป็นยังไงนั่นโอ้ถ้าแยกสองส่วนนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติให้มันเป็นอะไรถ้าแยกอย่างนี้ไม่ได้ก็แยกมักแปดไม่ได้ คือแยกมรคข้อที่หนึ่งไม่ได้ถ้าแยกมรคข้อที่หนึ่งแล้วมรคที่แปะมรคทั้งแปดข้อจะได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามว่าตั้งเป้าที่สุดว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรคือมิจฉาทิฏฐิพยายามทําความเข้าใจให้เพียงพอก็ค้นคว้าต่อไปจนกว่าจะเข้าใจแต่ผู้ที่เข้าใจแทงตลอดตักเปล่งอย่างแท้จริงก็คือพระโสดาบันเนี่ยนะของเราต้องรอให้เป็นพระโสดาบันก่อนไหมค่อยรู้จักว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทอไมานะทําไมอะทําไม ก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วละถ้าคิดอย่างนั้นนะนะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องหลักๆเลยนะเป็นเรื่องหลักๆเลย <c oughs> ทีนี้พงษ์ก็ตรัสถึงอุปาทานทั้งหมดเนี่ยนะอุปาทานนี่มีเท่าไหร่มีสี่ประการลทัทธิอื่นนะไม่สามารถบัญญัติอุปาทานได้ทั้งสี่ชนิดไม่ไม่มีใครสามารถบัญญัตินะบางพวกก็บัญญัติได้เฉพาะกามุกปาทานคือเห็นโทษของวัตถุกรรม บางพวกก็บัญญัติเห็นโทษของทิ่ถูกบาทานเพราะพวกนี้เป็นพวกมีกรรมสักกาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์นะนะก็เชื่อบุญเชื่อบาปอยู่พวกนี้ก็ถือว่ารู้ที่ถูกบาปฐานบางพวกก็เว้นจากศีระพตูปาทานเพราะตัวเองเจริญพรหมมิหารต้นต้นเนี่ยนะก็ปฏิเสธศีระพตูปาทานแต่ในบรรดาลัทธิเหล่านั้นไม่มีใครปฏิญาณว่ารู้อัตวาทูบาทานเลยคือในที่สุดมันจะต้องเปนตนจนได้ มีพระรูปหนึ่งเล่าให้ฟังท่านเป็นพระเถระแล้วตอนนี้พรรษาไม่น่าจะต่ำกว่ายี่สิบกว่าแล้วเป็นโจค้างหลังสุดนะฮะเก็บดอกไม้ตั้นระเครื่องอยู่แล้วก็ก็เป็นอย่างเงี้ยนะซึ่งในที่สุดก็ยังสําคัญว่าเป็นอัตตาอยู่ถ้าสําคัญว่ามีอัตตาอยู่นะดรวยอำนาจอัตวาทุปาทานเนี่ยลึกๆจริงๆนี่มันยังมีอัตตาอยู่เพราะมันมีอัตตากระหว่างนั้นโอคุยมาตอนแรกนี่คุยทั้งดีดีตอนนั้นฟังก็เป็นเนะ้ล้ ฟังแล้วเอ๊ะทำไมหลวงพอ่อเอ๊ะมาอาจารย์พูดผิแดแปลกๆอย่างนีนะ้เลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับท่านอยู่แล้แต่ว่าท่านาก็ลึกๆจริงๆมันมีอัตยานะท่านก็เผยแผ่มาจนถึงทุกวันนะไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่ทราบเห็นไหมเจอข้างหลังสุดนะฮะเก็บดอกไม้ตั้นเครื่องอยู่แล้ก็ก็เป็นอย่างนงี้นะซึ่งในที่สุดก็ยังสําคัญว่าเป็นอัตตาอยู่ถ้าสําคัญว่ามีอัตตาอยู่นะด้วยอำนาจอัตวาทุปปาทานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นสารพัดมิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วเนี่ยนะทิฏฐิไหนจะเกิดขึ้นไม่ได้บ้างถ้ายังมีส ก, กายะทิฏฐิอยู่ใช่ไหมถ้ายังมีสกายยะทิฏฐิสําคัญว่ารูปหรือสําคัญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาอยู่อย่าคิดนะว่ามิจฉาทิฏฐิต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นถ้ามิจฉาทิฏฐิต่างๆเกิดขึ้นอะไรเกิดตามมาบาปอากุศลธรรมเป็นอันมากก็ติดตามมาอย่างไรพันจึงเขาบอกว่า ถ้าหากว่าศาสนาใดลทัทธิใดที่ใดไม่สามารถบัญญัติอุปาทานทั้งสี่ประการนี้ได้ไม่จําแนกอนะาการมุปาทานที่ถูกปาทานสีละพถูกปาทานและอัตตวาทูปปาทานได้ตามความเป็นจริงคือไม่สามารถบัญญัติจันแนกแยกแยกสิ่งเหล่านี้ได้ตามความเป็นจริงนะให้รู้เทอะว่าความเลื่อมใสในศาสดาใดพงบอก ว, ว่าเราไม่กล่าวความเลื่อมใสในศาสดานั้นว่าดีหรือชอบถูกต้องอนะ เล่มใสยในทำใดทำนั้นชื่อว่าไม่ถูกต้องไม่พัสสีนใดก็ไม่ถูกต้องมูสหธรรมิกใดก็ชื่อว่าไม่ไม่ถูกต้องอย่างแท้จริงเนี่ย น, นะผมยังคิดเพียงแต่ว่าแค่พระผู้มีภาคทรงบัญญัติแค่ชีวิตคือขันห้าเนี่ยแค่นี้นะฮะก็ยังเรียกว่าหาศาสนาอื่นเนี่ยบัญญัติไม่ได้อยู่แล้วขันห้า แค่แคบแค่กระจายออกมาเนี่ยเพื่ อ, อยังน้อยสุกเป็นลากกราศกายัตถิฐิเบื้องต้นอยู่แล้วขันห้าซึ่งมาลองพิจารณาแต่ละขนันแต่ละขันเนี่ยนะไม่มีเขาเลยว่าที่ใครจะมีปัญญาไปเห็นอย่างนั้นได้ใช่ก็นี่คือเป็นอะไรนะเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีศาสดาใดนะในโลกนี้ที่จะบัญญัติว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่สัต เอ้นี่รูปนี่นี่เวทนานี่สัญญานี่สังขานี่วิญญาณในเะส้นเราลืมตาใช่ไหมก็ตาก็ก็สอีก็เราอ่ะนะสีก็เขาอ่ะแต่พระ อ, องค์บอกว่านี่รูปอาศัยจากขู่กระเพื่อเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปจยยัจจัยจึงเกิดโลโกเป็นต้นก็จะตามมาด้วยสารพัดมิจฉาทิฐิซึ่งถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะคิดได้หรือว่าเออขวันตนว่าตาก็ยาว ย, าายังไงพ่องแยกแยกออกมาหมดแล้วแล้วตามีพาออะไรมีปัจจัยของตาคืออะไรปัจจัยของสีคืออะไรปัจจัยของจักขูวิญญาณภาษาเวทนาก็สาวหาเหตุผลได้วิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งกันนะแต่ถ้าเป็นาศาสนาอื่นก็แยกไม่ได้ใช่ไหม ก็ด้วยอำนาจอัตตาด้วยอนาอัตาวาทุปาฐานสำคัญว่าสัตว์มีบุคคลมีชีวะมีผู้ทา ม, มีผู้สวยผลของกรรมมีอ น, นอคกนะาระโกวเวทโกเป็นต้นก็จะตามมาด้วยสารพัดมิจฉาทิฐิซึ่งถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดได้หรือว่าเออความคิดนี้ไม่ใช่เราฉวนัเราคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งความคิดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย แล้วอธิบายด้วยนะว่าทำไมจึงไม่ใช่ของเธอแล้วที่บาแบบฉันนี่คือเดาว่าเขาต้องยอมรับเออมันก็ใช่อ่ะอนะไม่ใช่แบบลักษณะแบบข่มขู่นะพุทธศาสนาเนี่ยถ้าท่าศึกษาตามพระเอกรุดกไม่ใช่ขคค่มขู่บอกแกต้องเชื่อฉันนะแต่แกไม่เชื่อฉันแกจะยั ง, งนั้นยังนั้นอย่างนั้นไม่มีโดยประการทั้งปวงเธอปรึกศึกษาว่าสูตรนี้ก็ขึ้นต้นอย่างนี้ที่จริงฉันถ้าพระองค์ทรงคนพบบัญญัติแตก กระจายมาเป็นห้าแล้วยังพระองค์ไม่ได้ตัดแค่นั้นพระองค์ยังอธิบายว่าแต่ละขันนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันยังไงจึงทําให้เราเนี่ยยึดว่าเป็นเราหรือว่าสามารถที่จะยึดได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างขันทั้งหมดเราเนี่ยละเอียดละออมมากเลยใครครับจะบัญญัติได้ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็อลองสังเกตดูนะอย่าง ในยุคนี้เหมือนกันแม้กระทั่งเขาปฏิญาณว่าเป็นพุทธบริษัทเนี่ยนะถ้าไม่กล่าวธรรมะตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็อิงทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งอยู่โดยธรรมชาติถ้าไม่ยิงคําสอนให้เต็มที่เลยนะถ้าไม่ยิงเต็มบริบูรณ์เลยเนี่ยมันก็หลุดไปเป็นทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งจนได้ไม่อันใดก็อันหนึ่งจนได้มันมันเต๋อดเต๋มไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเต๋อยู่แล้วนะคือหมายความว่าถ้าปฏิเสธเส้นบรรทัดเมื่อไหร่ ปฏิเสธเครื่องวัดที่มาตรฐานเมื่อไรปฏิเสธตาช่างของโลกเมื่อไหร่ก็เป๋จนได้อ น, น, นี้คือธรรมดาเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าเลื่อมสายในาศาสดาที่สอนแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นศีลเหล่านั้นหมู่คณะแบบนั้นจึงเราจะพองตัดบอกว่าความเลื่อมสายนั้นไม่ใช่ความเลื่อมสายโดยชอบถาวว่าเพราะเหตุไรดูก่อนทีกสู่ทั้งหลายเพราะข้อนั้นความเลื่อมสายในธรรมวินัยที่าศาสดากล่าวไว้ชั่วประกาศไว้ชั่วไม่ใช่สภาพนําออกจากทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบมิใช่พระผู้รู้เองคือไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดูกรพิสูจน์ทั้งโลกอะไรเป็นพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะอะไรเป็นปัจจัยแห่งสังขารอาภิชาดูว่ให้ท่านดื่มน้ำเท่าไหร่นะคือแค่ประกาศขันหามานี่และอัตวาปาทาน แล้ะพงษ์ไม่ใช่เท่านั้นนัแล้วพองษ์ยังรู้ว่าปัจจัยแห่งอุปาทานคืออะไรอะไรเนาะเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหาอะไรเป็นปัจจัยแห่งตัณหาเวทนาอะไรเป็นปัจจัยแห่งเวทนาภัสสะอะไรเป็นปัจจัยแห่งภัสสะสลายยตนะอะไรเป็นปัจจัยแห่งสลายยตนะนามรูปอะไรเป็นปัจจัยแห่งนามรูปวิญญาณอะไรเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณอะไรเป็นปัจจัยแห่งสังขาร เอาิชละให้ท่านดื่มน้ท่ากหน่อยนะคือแค่ประกาศขันห้ามานี้เ่าถกกล่ว่าประกาศอ น, นัตตามาให้ฟังแล้วประกาศภูกรสัตรมาให้ฟังเรียบร้อยแล้วยังประกาศหลีกอาจารอิทใครใครความคิดไงมัง่งขันห้าประกาศอ น, นัตตามาแล้วไม่ก็เน่เน่ไม่ใช่ขณะในการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะประพฤตพรหมจรรย์เนี่ยนะอย่าเพลอหลุดไปก็แล้วกันนะอย่าเพลอหลุดไปมาวิ่งอย่างนี้แล้วก็อย่าไปห้อยโหน อ, อยู่แถวนี้นะลูกหลานวัสการพรหมมาอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยสรุปว่าสังขารมียวิชาเป็นเหตุอวิชานั้นเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นนะนะทีนี้ถ้าหากว่าพิกษุละอวิชาทำวิชาคืออรหัตตมรรคให้เกิดขึ้นถ้าสำเร็จอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือ สังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับเนี่ยนะจนถึงวัตถทุกข์ขั้งมวลก็เป็นอันดับด้วยประการชนี้นั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคําสอนที่เป็นตายเพื่อละอวิชชาโดยประการทั้งปวงถ้าละอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงก็สามารถที่จะทาที่สุดแห่งวัตถทุกข์ได้เนี่ยนะเอ่อรัชตีมีอะไรจะกล่าวหน่อยไหมมีด้วยจะเรียนถามมากกว่านะ ถามบุ ก, การแล้วกันบุ ก, การากล่าวว่าแสดงขันห้าเนี่ยนะครับแสดงขันห้าเนี่ยเป็นการแสดงอนัตตาแล้วเนี่ยเ อ, อจะมีความหมายยังไงเพราะาจริงๆแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยมีขันห้าเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเพราะการแสดงขันห้าเป็นการประกาศอนัตตานี่ครับบุกการแสดงชื่อแสดงให้ละเอียดนะว่าผู้ที่ เขาฟังเรื่องขันห้าเขาจะเข้าใจว่าแปลอนัตายัางไงครับเพราะว่ารู้สึกว่าอนาัตตานี่จะเห็นยากไม่เหมือนกับอนิจจังทุกขังซึ่งศา ส, สดาภายนอกเขาเขาก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงแล้วก็โดยความเป็นทุกข์บ้างคือเข้าใจว่าพระองค์ประกาศขันท่านั้นนี่นะครับว่าว่าเป็นเชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็นห้าส่วนเนี่ย ที่จะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะผมนะาาว่าแต่นั้นถ้าว่าศึกกอยากอย่างผมเนี่ยเพิ่งจะย้อนกลับมาดูเมื่อเร็วนี้เองว่าเออจริงๆแล้วขันห้ามเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แต่ก่อนก็ไม่รู้เหมืเราฟังขันห้ามากระโยะเหมือ น, นกันนะครับก็เป็นอย่า ง, งนั้นแสดงว่าก็ต้องมีปัญญาแล้วให้เห็นว่านี่คือเอ่วาขันห้านะบางเป็นห้าส่วนอย่างนี้นะครับเ อ, อซึ่งไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในมันเลย บุคคลธรรมดาแม่จะฟังธรรมดามาโดยไม่ทำปัญญาหรือว่ายังไม่ได้ศึกษาลึกไในขันท่าก็ก็ไม่มีทางครับที่จะที่จะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะผมก็แต่นั้นแต่ถ้าหากว่าศึกษาไปแล้วอย่างผมเนี่ยเพิ่งจะย้อนกลับมาดูเมื่อเร็วนี้เองว่าเออจริงๆแล้ว้ขันท่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แต่ก่อนก็ไม่รู้ในการเราฟังขันท่ามากระโยกเหมือนกันนะครับก็เป็นอย่างนั้นแสดงว่าก็ต้องมีปัญญาเพอสมควรทีเดียวน ไม่ทราบว่าอาจารย์ยังเป็นไงรือว่าอ า, า, าจารย์เห็นขันท่าแปลนักตายยังไงไหมหรือว่าไม่เห็นหรือว่าเห็นเมื่อไหร่ครับเห็นยังไงก็เริ่มเข้าใจจากาการศึกษาแล้วก็การพิจารณาเนี่ยนะครับแต่ก็ยังสงสัยว่าในภายนอกพระศาสนาเนี่ยอย่างเช่นอรการศาสตรดาที่เป็นพระโพธิสัตว์ของเราหรือว่าพวกที่เป็นกรรมวารีเนี่ย เขาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความเป็นทุกข์ได้แต่ว่าไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าความแปร น, นาตาเนี่ยมันลึกซึ้งละเอียดแต่ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าทร ง, งแสดงธรรมแล้วก็ประกาศสัจธรรมเนี่ยดูเหมือนว่าให้เข้าใจอนัตตาก่อนและจึงจะมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในภายหลังอย่างวิปัสสนาญาณแรกก็ให้พิจารณานามรูปก็เพื่อที่จะให้เห็นความแปร น, นาตา พิจารณาความเป็นปัจจัยก็เพื่อจะเห็นความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นจึงฮะให้พิจารณาถึงการเกิดขึ้นดับไปการไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นก็ดูเหมือนว่าอนัตตานี่ละเอียดกว่าแต่ว่าจะต้องรู้ก่อนตัวผู้แม่อ ศ, ศ, ศาสดาอื่นนะฮะในสมัยพุทธกาลนั้นก็ก็เขาอาจจะมีหลายอย่างแต่ก็อาจจะรู้ไม่ครบเพราะว่าถ้าจะรู้ขันท่าได้สมบูรณ์ต้องรู้หนึ่งเหตุเกิดของความดับ นะฮแล้วกาเห็นปฏิ ป, ปทายถึงความดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดเอาเนีกยคงจะต้องคงจะรู้ไม่ครบผลเชื่อว่าคือเราต้องมาทําความเข้าใจคําว่าอนัตตากับอนัตตลักษณะให้ดี อ, อคําว่าอนัตตา น, นี่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันห้าคือธรรมชาติของมันเองเนี่ยวันยังค่อมมันก็คือตัวอนัตต์แต่ว่าอนัตตลักษณะเนี่ยรู้ได้ยาก คือความเป็นจริงและใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามขันห้าก็เป็นอนัตตาวันยังค่ําใครจะเข้าใจผิดใครจะเข้าใจถูกหรือใครจะเข้าใจว่าเป็นอัตตาก็ตามขันห้าก็เป็นอนัตตาวันยังค่ําเพราะธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นทีนี้อศาสดาอื่นไม่สามารถที่จะแสดงอนัตตลักษณะได้แสดงได้เฉพาะเป็นอัตตาที่แก่แสดงได้เฉพาะทุกคลักษณะ เพรสัมธรรมดาคือเบื้องลึกๆจริงๆแล้วยังสําคัญว่าเป็นอัตตาอยู่ทีนี้เมื่อเมื่อพื้นฐานไม่รู้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจริงก็แบบว่าอัตตาตัวนั้นนี่แก่เป็นนะเกิดตัวเป็นนะแตาเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออัตตานะไม่ได้รู้เบื้องลึกเลยว่าเป็นอนัตตาแต่เขาสามารถแสดงอนิจจาลักษณะกับทุกขลักษณะได้แต่ไม่ได้รู้ตัวตัวอัตตาจริงๆไม่ใช่เพราะอะไรเขาอย่างสําคัญอยู่ว่า เรื่องลึกๆกับมันคืออัตราแต่เป็นอัตราที่แก่เป็นธรรมดาอัตรานี้เป่วยเป็นธรรมดาอัตรานี้ตายเป็นธรรมดาคือเรื่องลึกๆจริงๆแล้วยังสําคัญว่าเป็นอัตราอยู่ทีนี้เมื่อเมื่อพื้นฐานไม่รู้เป็นเป็นเป็นจริงก็บอกว่าอัตราตัวนั้นนี่แก่เป็นนะเป่วยเป็นนะตายเป็นนะชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนี่น้อยนะเพราะในคำว่ามนุษย์ของเขานี่พื้นฐานโดยลึกๆจริงๆก็ ไม่คือทําปริญญาสําคัญว่าเป็นอนัตตาอะไรก็สําคัญว่าสิ่งนั้นเป็นอัตาอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้คืออนัตานะแล้วพงศ์ก็ว่าทําไมมันจึงเป็นอนัตตาก็เพราะมันคือรูปมันคือเวทนามันคือสัญญามันคือสังขารมันคือวิญญาณเมื่อแยกความเป็นขันหานั่นแหละคือตัวอนัตตาตัวอนัตตาคือตัวขันห้าแล้วขันห้าเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เกิดจากปัจจัยนะ ขันห้าที่เกิดจากปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยสมควรไหมที่จะเห็นว่านั่นเรานั่นของเราหรือนั่นอัตตาของเราควรไหมอันนี้เป็นการประกาศอนัตตลักษณะ <c oughs> ตัวขันห้าธรรมชาติของมันเองนั้นเป็นตัวอนัตตาเพราะไม่มีอัตตาอยู่นะทุกข์อะไร ถ้าเป็นโบราณเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์อาจจะคิดว่าเป็นอัตตาด้ยซ้ําไปใช่ไหมแต่สมัยนี้เครื่องมือวิจัยการแพทย์ตรวจชนิดที่ตรวจละเอียดยิบหมดแก็ยิ่งยิ่งเห็นชัดว่ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเน่ยนะมันไม่มีใครอยู่อย่างแท้จริงอย่างที่กล่าวไปแล้วถามว่าเที่ยงไหมลนะ่ะสิ่งนี้แล้วไม่เที่ยงด้วยเพราะไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะสิ้นไปเป็นทุกเพราะมากกลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีไม่มีนิจจาระไม่มีสุ ข, ขะสาระไม่มี อัตตาสาระไม่มีอะไรจริงๆซึ่งเหล่านี้มีอยู่แต่มีอยู่ในฐานะกองทุกข์มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่มันมีโดยความเป็นทุกข์มันไม่ใช่มีโดยความเป็นอัตตาอะคันห้ามมีอยู่นะธรรมธิติธรรมนิยามธรรมเหล่านี้ดํารงอยู่ตามปัจจัยเนี่ยมีอยู่แต่มีอยู่ในฐานะเป็นตัวทุกข์มีอยู่ในฐานะเป็นวัตถทุกข์แต่ไม่ใช่มีอยู่โดยความเป็นใครหรือเป็น ของใครหรือผู้ใดามาสร้างมันขึ้นแต่มันเป็นไปตามตัดใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้พันธุ์งจึงสอนเพื่อดับดับตัดใจซะตัดใจของวัตตะคืออะไรก็คืออวิชากับตันหาอาวิชาคือไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนว่านิสวรณ์ในสิ่งเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ยังไม่รู้ทำเป็นที่สํารอกตันหาคือพระนิพานนั้นเมื่อเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะเลยจึงสร้างวตัตทุกข์โดย ไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเหล่านี้ขึ้นเมื่อจําแนกแต่ที่สําคัญที่สุดอื่นไม่สามารถแยกใจสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงอนะที่เหลือคือธรรมะแต่จะไม่แยกไม่หอกผู้การประกอบไปด้วยอะไรบ้างว่าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือประกอบด้วยขันธ์ธาตุอริยตนะอัละขันธ์ธาตุอริยตนะที่เป็นไปนี่เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเขาเขาพูดไม่ได้หรอกนะถ้าพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ได้ศัตรูเพิ่มพูดเมื่อไหร่ก็ยุ่งเมื่อ น, นั้นแหละ เพราะอะไรเพราะแยกไม่เป็นเพราะไม่ใช่ฐานะของบุคคลทั่วไปที่จะแยกได้เนี่ยนะไม่ใช่ฐานะเลยอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็จะแยกความจริงเหล่านี้ขึ้นเมื่อจะแนกแต่ที่สําคัญที่สุดเมื่อรู้เห็นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตามเป็นจริงอนะที่เหลือคือทํายังไงจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกันหนักสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้ความจริงเหล่านี้ยังดับทุกข์ไม่ดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ บอกว่ารู้เห็นยังไงว่าแต่ทุกข์จึงสิ้นไปบอกรู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นรู้เห็นโดยความเป็นทุกข์รู้เห็นโดยความเป็นอนัตตารู้เห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อเพื่อหลุดพ้นถ้าไม่เป็นไปตามนั้นล่ะถึงจะรู้ว่าเฮ้มันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่ารู้ว่านี่มันเป็นยังไงแล้วก็ยังกู้อยู่ทุกวันนะมันก็ มันก็ดับไม่ได้ฉันใดถ้ายังเพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าอยู่สร้างวัตถทุกข์ก็สร้างอยู่ร่ําไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแต่ว่าที่สิ้นสุดที่จะดับวัตถทุกข์เหล่านี้ได้นะต้องเห็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามอย่างเช่นที่เรียกว่ารูปก็ต้องแทงตลอดรูปนิโรดนั่นแหละจึงจะดับรูปได้อย่างแท้จริงเวทนาก็ต้องบรรลุเวทนานิโรธจึงจะดับเวทนาได้จริงสัญญาก็ต้องแทงตลอดสัญญานิโรธจึงจ